เรามาบริโภคอาหารแล้วก็พิจารณาเจริญสมถวิปัสนาแม้กระทั่งวันวิสาขาวันวิสาขาที่เราวันรับอาหารของนางสุชาดาตอ บ, บริโภคอาหารของนางสุชาดาก่อนนั่นแหะท่านฝันแล้วใช่ไหมมีสุบินนิมิตห้าประการฝันว่าอะไรว้างเช่นนอนทับแผ่นดินเป็นต้นนะก็ไปดนะูในสุบินนะสตูตรงนี้ก็มีแต่ว่าจะไม่กล่าวเพราะว่าจะไม่ใช่ประเด็นที่กําลังจะกล่าวนะ ถ้ามาเล่ารายละเอียดแบบนั้นนี่ก็ต้องเอาใหม่แล้วมาที่นี้ที่เดียวสามเดือนอย่างเงี้ยนะเนี่ยใครยังชั่วไหยก็เอาแต่คร่าวๆก็พอที่เน้นจะ ก, กล่าวจริงๆการเดินเรื่องทั้งหมดเนี่ยวัตถุประสงค์ก็อย่างที่คุณกันตาพูดตอนอยู่บนรถว่าให้พูดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กำลังน้อมเอียงไปทางที่ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรเมื่อพระองค์เนี่ยไถ่ค ร, ครวนว่าการเจริญ คุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเป็นไปอย่างดีและสม่ำเสมอและเหมาะสมพูดถึงว่าวันวิสาขะพระองค์บริโภคอาหารของนางสุชาดาชั้นเสร็จและวลอยถาดลอยถาดเสร็จบอกว่าทั้งวันท่านอยู่ที่ไหนบอกอยู่ในปากเจริญสมถาวิปัสนาอยู่ทั้งวันตกตอนเย็นเนี่ยท่านก็เลยมาที่โคนต้นโพธิ์ที่รับยาจากโสตยะมาแปดกรรมก็มาวางวางในทิศใต้ก่อน วางที่ใต้เนี่ยแผ่นดินฝั่งที่ใต้นี่ซุดลงไปวันไว้ก็เหมือนกับลูกบอลที่อยู่ข้างบนน้ําถ้าวางในด้านที่เอียงอะไรจะเกิดมันก็จะเอียงทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนที่มาวางทิ่ตะวันตกก็เอียงอีกมาวางด้านทิศเหนือก็เอียงอีกมาวางในทิศตะวันออกทิศตะวันออกตรงแท่นวัชระอาจตรงนั้นเนี่ยมั่นคงที่สุดเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่งตรัสรู้ตรงนั้น พระพุทธเจ้ากะปูสันทาก็นั่งตรัสรู้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะก็ตรัสรู้ตรงนั้นข้ากัสปะก็ตรัสรู้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสรู้ตรงนั้นโดยที่สุดแม้แต่พระอริยะเมตยะพระศรีอารภาษาไทยนิยมเรียกท่านว่าพระศรีอานหรือพระเมตยะนั่นเองถ้าเรียกตามพุทธพจน์ก็เรียกว่าพระเมตยะท่านก็จะตรัสรู้ตรงนั้นอีกเหมือนกัน พระ อ, องค์ก็ประทับนั่งพอประทับนั่งเนี่ยก็เกิดบัลลังค์ขึ้นด้วยบุญบารมีที่พระ อ, องค์บำเพ็ญพญามาลก็เดือดร้อนนะพญามาลเนี่ยเขาไม่ต้องการให้พระโพธิสัตว์ตรัสรู้พญามาลเนี่ยพื้นเบื้องหลังลึกๆเขาฤิษยาพญามาลเนี่ยเขาอยู่เทพชั้นปรานิมมิตตาวะสวสดีเขาเหล่าเนี้มีอนาคตตางสยายรู้อยู่แล้วว่าสิทธถะยังไงก็ต้องบรรลุถ้าโดยธรรมดา แต่พยายามจะหาวิธีการแกล้งไงคนนี้ทํายังไงไม่ให้มันบรรลุได้อะลักษณะนี้นะคือเหมือนกับว่าเห็นเด็กคนหนึ่งนะมันมีเวลที่จะเจริญเติบโ ต, ตถ้าปล่อยให้มันโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันต้องได้ตําแหน่งสูงระดับนั้นระดับนั้นต่เลยแสวงหาวิธีที่ว่าจะสกัดดาวรุ่งได้ยังไงพยามารเขาก็ลักษณะนั้นแต่ว่าสกัดไม่อยู่ใช่ไหมเขาก็หาเรื่องมานานแล้วอย่างตอนบําเพ็ญเพียรที่พร้อมมารก็เข้ามาวันออกบวชมารก็มาใช่ไหม ตอนบำเพ็ญเพียรอีกมาร ก, ก็ยังมาอีกก่อนจะตรัสรู้ในข่าวนี้เอเสถิฐานนี้ดูจะพ้นเราจริงๆก็เลยยกกองทัพพญามารมาในเทวโลกเนี่ยปารานิมิตตาวสวัสดีมีเทวดาคนเดียวเนี่ยที่สิงพรมได้พญามานี่แกมีอำนาจแกเที่ยวไปพรมได้แล้วก็สิงพรมได้ด้วยเป็นเทวดาพิเศษในบรรดาผู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่มีใครเกินมารเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจขนาดนี้ถามว่าบริวารควรจะเท่าไหร่วันนั้นก็เลยประดม บริวารเนี่ยมาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เพื่อจะมาบอกว่าให้แค่ลุกออกจากบัลลังก์นี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วยังไงสิทธถาก็มาเดี๋ยบรรลุท่านลุกจากบัลลังก์อันนี้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ตอนที่พระองค์ประทับนั่งบนบัลลังก์นี้ได้อธิษฐานถวายชีวิตเรียบร้อยแล้วว่าถ้าการนั่งครั้งนี้ถ้าไม่บรรลุก็ขอตายสรว่าที่อธิษฐานความเพียรที่ประกอบด้วยองค์ห้าจะเหลือแต่หนัง เอ็นกระดูกร่างกายนะขอให้มันเหลือเท่านี้หนังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดในสรีระก็ปล่อยให้มันเหือดแห้งไปถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุในผลที่ตั้งความปรารถนาเนี่ยการนั่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการนั่งครั้งสุดท้ายถ้าไม่บรรลุก็คือแปลว่าขอเน่าอยู่ตรงนี้นะขอตายอยู่ตรงนี้แหละท่านอธิษฐานอย่างนั้นถามว่าถ้าคนธรรมดาจะกล้าตั้งขนาดนั้นเลยหรือ ถ้าไม่มีข้อมูลไม่มีองค์ประกอบไม่รู้อะไรขึ้นมาเลยท่านจะทําอย่างนั้นไหมไม่มีทางพอที่ฐานเสร็จก็สู้รบกับพญามารไม่นานสักเท่าไหร่สรุปว่าชนะมารอย่างที่เรารู้กันวิธีการรบกับพญามารก็ไปศึกษาเอาต่อไปหลังจากมารพ่ายแพ้ไปแล้วพองศ์ก็กําหนดลมหายใจเข้าออกพองศ์กำหนดไม่กี่เฮิรเข้าชานสีได้เลยพอเข้าชานสีได้เนี่ย ถามว่าถ้าเป็นคนทั่วๆไปอยู่กับชานสีนั่นแหละไม่ต้องไปไหนแล้วก็ติดหนับเล้วนะเพราะบางลัทธิเขาถือว่านิพพานอ่ะชานสีแต่พระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตเบาอ่อนคล่องแคล่วควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็น้อมใจไปเพื่อ ล, ลึกชาติอย่าลืมนะว่าพื้นฐานที่ท่านต้องการจริงๆเนี่ยต้องการตรัสรูธ้ธรรมที่พ้นจาก ความเกิดความแก่ความป่วยความตายความเศร้าหมองและสังกิเลตท่านก็เริ่มวิจัยต้นสายปลายเหตุของชีวิตด้วยการระลึกชาติก่อนทบทวนชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาถอยหลังไปเรื่อยๆจนถึงเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าเสตุเกตเทพบุตรที่เรานิยมเรียกว่าสามุสิทธเทพบุตรหรือเสตุเกตเทพบุตรแล้วก็ระลึกไปเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ระลึกจนถึงสี่อสงไข่ระลึกเรื่อยไปอย่างนี้ สิ่งที่พระ อ, องค์ระลึกเนี่ยใช้เวลาระลึกสี่ชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ความสามารถชั่วหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยระลึกได้เก้าสิบเอ็ดกับความรู้ขนาดนั้นนะแล้วถามว่าชั่วระยะเวลาสี่ชั่วโมงนี่จะระลึกเท่าไหร่ไม่ใช่ระลึกภายในอย่างเดียวนะระลึกสัตว์อื่นด้วยนะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ชํานาญในเรื่องอาวัชนะมากอาวัชนะนี่ถ้าเป็นแบบทั่วๆไปเื่องใช้หัวหมุนเลยแหละ แต่ว่ า, วาพราะองค์นี้อาวัชนะท่านเก่งมากในการระลึกแต่ละชาติแต่ละชาติไวมากเลยถ้าเราลองมานึกถึงแบบทบทวนก็เหมือนกับว่าใครที่ถ่ายรูปตัวเองตั้งแต่เด็กมาเลยแล้วเหมือนกับพลิกเร็วนะแล้วดูแบบคนเข้าใจนะนะดูหนึ่งภาพทะลุผุโปรงหมดว่าอะไรมีองค์ประกอบเท่าไหร่แต่ละภาพแต่ละภาพแต่ละชาติก็เหมือนดูหนึ่งภาพพร้อมทั้งองค์ประกอบอย่างละเอียดดูอย่างนี้เป็นร้อยรอยอัลบัม้มอัลบั้มหนึ่งก็กลับหนึ่งไนงะ แล้วก็เอาอัลบั้มคนอื่นมาดูทั้งหมดด้วย <c oughs> เอ๊ะมันมีอะไรบ้างในชีวิตก็มันไม่มีอะไรเลยนะที่ผ่านมามันก็มีแต่ขันห่าถามว่าในวัฏฏะอันยาวนานเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นส่วนใหญ่เอาง่ายๆว่าอยู่ในที่นั่งยิ้มแมย้มแจ่มใสหรืออยู่ที่นั่งหน้าบูเดเบี้ยวซะส่วนใหญ่ชีวิตของเราเลยนะหมายว่าพร้อมที่จะถ่ายรูปเก็บทุกแผ็นทุกแห่งเลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกเวลาจะถ่ายรูปทีมเดี๋ยวขอเวลาแต่งเลยน ะ, สะแสดงว่าไม่ได้พร้อมที่จะไว้ดูสักเท่าไหร่ ท่านระลึกอยู่เห็นตลอดเสียสงไขแสนกับทั้งภายในด้วยทั้งภายนอกด้วยเห็นแล้วมันมีอะไรเป็นสาระบ้างขันห้าไม่เห็นมีเลยแล้วก็มาพิจารณาถึงอนาคตต่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายที่กําลังปฏิสนธิในภพต่างๆที่เรียกว่าจุตูป ป, ปาตาญาณแล้วอนาคตั่งสยา น, นี่บวกกับจุตูปปาตาญาณก็รู้เลยนะว่ามองเห็นปั๊บเลยคนนี้นะอีกกี่ล้านกับต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยมองออกหมดเลย เห็นหน้าปั๊บเนี่ยแรู้ว่าแค่นึกปั๊บเนี่ยก็รู้แล้วแล้วท่านคิดเรื่องสัตว์เกิดสัตว์ตายอยู่กี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงท่ามูเปรตทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นหมดแม้กระทั่งอย่างเปรตที่เขาขี้จะกูดพงก็เห็นหมดแล้วว่าอะไรเป็นยังไงยังไงพระพุทธเจ้ารู้หมดแต่ไม่ได้เล่าทั้งหมดก็เล่าไม่เท่าไหร่เมื่อตรัสรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพิจารณาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายอยู่สี่ชั่วโมง โดยประการต่างๆโดยวิธีการต่างๆหลายๆอย่างด้วยกันก็เริ่มมาทบทวนว่าอกชีวิตนะสรุปว่าอดีตอันยาวนานที่ผ่านมากับหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มีต่อไปในอนาคตมีอะไรนอกจากชาติชราและมรณะนอกจากโสกะปริเทวะและทุกข์และโทมนัสมันมีแต่กองทุกข์จริงๆถึงกองทุกข์เหล่านี้มีอยู่แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายไม่เคยอิ่ม ห ม, มายควาว่าเมื่อได้รับทุกข์แล้วตัณหามันลดลงไหมแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะอย่างคนแขกเขาเดือดร้อนกันเนี่ยเขารู้สึกพอพอกันทีมีไหมมีแต่จะหาเพิ่มมีแต่ความหิวสมมตินนะถ้าเราหิวเราเห็นโทษหรือพ่อมีลำไส้นะักเกจึงหิวถ้าไม่มีลำไส้สัอย่างเนี่ยมันจะไปหิวได้หรอเนี่ยไม่บอกโทษอาหารถ้ามีอาหารมาถมลำไส้บ่อยๆมันคงจะดีคิดแต่คิดหาแต่อาหารใช่ไหมจะไม่คิดเห็นโทษของลำไส้เลย อย่างสีก็เหมือนกันนะที่เที่ยวดูจะไม่เห็นโทษของตาหรอกโทษสีว่ามันพร่องไปมันไม่สวยบ้างมันอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจะไม่โทษแต่ชั้นมีตานะั้นฉันจึงเห็นไม่โทษอย่างนี้นะน้อยนักที่จะโทษภายในใช่ไหยห่วงเห็ น, นธนุถนอมมากเป็นอย่างนี้แหละวัตตะก็บอกมันไม่เห็นมีสาระแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่รู้ธรรมะเป็นที่ดับกองทุกเหล่านี้เลยคือสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่มีใครรู้เลย อย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่บนหลักการอย่างนี้นะว่าวิธีวิจัยของท่านพระ อ, องค์ไม่ได้วิจัยมาจากการฟังจากผู้ใดใช่ไหมเต้าของท่านคือคิดแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์หลักการของพระ อ, องค์นะก็คือกองทุกข์ที่มีอยู่กับความดับทุกข์ทัานคิดอยู่สองสองกลุ่มเนี้ทุกขนาดนี้นะมันยังดับทุกข์ไม่ได้ถ้าเปรียบเหมือนกับว่าไปเห็นคนป่วยจะเจ็บป่วยเดือดร้อนขนาดนี้ แต่ก็ไม่หายยาตัวไหนก็แล้วไม่มีหายเอีย่ยทำยังไงคะเนี่เห็นกองทุกข์ทั้งหลายทุกข์คือปาทานขันห้าสารพัดขันห้าที่เป็นทุกข์ทั้งมวลเนี่ยซึ่งไม่รู้ธรรมะเป็นที่ดับทุกข์เขาทุกข์ขนาดนี้เนี่ยแล้วทุกข์ตัวนี้มาจากอะไรเนอะรู้เลยนะยทุกข์ในภพสามทั้งหมดที่เห็นตั้งแต่เอเวจีจนถึงพระวกระรมเนี่ยทุกข์เหล่านี้มาจากอะไรมาจากการเกิดมาจากชาติ ชาติเนี่ยไม่ใช่คิดแบบมาจากเกิดแล้วคิดง่ายๆแบบเรานีก็มาจากเกิดสิก็จบแต่พในในในใใ ร, ระองค์เนี่ยวิจัยเลยว่าการเกิดมีกี่ประเภทเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและโอปปาติกะคิดได้สี่ประเภทและวสี่ประเภทนี้ไล่ด้วยนะว่าอย่างในรใ น, ในรกเนี่ยเกิดได้กี่ประเภทเดชะเนี่ยเกิดกี่ประเภทในบรรดาวิธีการเกิดสี่ประเภทเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและเกิดเป็นโอปปาติกะ แล้วหมู่เปรตทั้งหลายเนี่ยปฏิสนธิแบบเนี้กี่ประเภทหมู่มนุษย์เนี่ยโดยกําเนิดสี่เนี่ยมีกี่อย่างเทวดาทั้งหลายในกําเนิดสี่มีกี่ประเภทตลอดจนถึงพรหมโลกท่านก็ไล่อย่างนงี้ไล่ไปในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตว์ว่าเก้าไข่ควรวญอยู่อย่างนี้ในหมู่สัตว์เท่าไรนะขอบเขตในการพิจารณาบอกว่าหมื่นโลกธาตุหมื่นโลกธาตุพูดแบบภาษาเราเราก็คือ เอาสัตว์โลกในหมื่นจั ก, กรวาลมาทําปริญญาแสดงว่าของเราตอนนั้นพระโพธ่สัตว์ท่านพิจารณาเราเรียบร้อยแล้วนะเช็คเราเบ็ดเสร็จหมดแล้วว่าแกเนี่ยชาติเป็นทุกขาเลยมองเห็นตลอดสายเลยนะชาติเป็นทุกขาชราเป็นทุกขาเนี่ยนะฟงไม่เอาไม่เสียเวลามาคิดเรื่องเรามากหรอกพรามองยังไงก็ทะลุโปร่ปงมาแล้วไม่รู้จะคิดไปทําอะไรน ะ, ะแสดงว่าเราก็น่ากรุณามากๆแล้วนะท่านก็คิดอย่างนี้ว่าทุกอย่างพวกนี้มาจากการเกิดวิเคราะห์เรื่องการเกิด แล้วเกิดมาจากไหนมาจากกรรมกรรมเนี่ยนะว่าย่อๆแบบภาษาไทยๆเราก็คือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมเนี่ยนะเจตนากายกรรมมีเท่าไหร่ยี่สิบเจตนาวจีกรรมยี่สิบเจตนามโนกรรมยี่สิบเก้าแล้วในหมู่สัตว์ที่หาที่สุดไม่ได้ขอบเขตการทํากรรมก็หมื่นจักรวาลอีกทํากรรมอย่างนี้ปฏิสนธิที่นี้ ทำกรรมอย่างนี้ปฏิสนธิที่นี้กรรมตัวนี้นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยปานาติบาตอธินนาทานนรกปฏิสนธิเกิดในคันเกิดในไข่เกิดที่เป็นเท่าใครเกิดเป็นปโอปปาติกะนี่ก็พิจารณาไขควรอยู่อย่างนี้กรรมแท้ๆเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยวันนี้เราทํากรรมเท่าไหร่ล้วคุณกัลตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเท่าไหร่แล้วนะแล้วกรรมตัวเนี้สามารถนําเกิดที่ไหนได้บ้าง ตัวไหนเป็นทิฏฐธรรมตัวไหนเป็นอุปชาวเวทนียกรรมตัวไหนเป็นอัปราปราเวทนียกรรมแล้วกรรมเหล่านี้มันจะให้ผลกี่ชาติกี่ระยะอะไรในท่านไข้ครวญหมดละอย่างละเอียดรอบครอแล้วก็เขี้ยไปอีกแล้วกรรมพ่วงนี้มาจากไหนว่าง่ายๆก็คือมาจากการยึดถือว่าเราว่าของเราเรียกง่ายๆว่าตันหาก่ออุปาทานตันหาอุปาทานแปลแบบย่อยๆเลยก็คือนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรา ก็ความคิดสามตัวเนี่ยเป็นตัวหลักเพราะมูสัตว์นะทะวารไหนบางที่ลืมแล้วบอกไม่ใช่เราพอมาสาธยายนะตุมหาตุกสูตรนี่แหล้พอจะมีอความคิดตัวนี้ขึ้นมาบ้างตาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายถ้าก่อนหน้านั้นเราหมดอ่ะนี่ขนาดสาธยายอยู่นะแต่บอกคุณว่าไม่ดีเอ้มาว่าเรานี่ยนี่ขนาดยังว่าไม่ใช่ของเราอยู่แแบบนั่นนั่ะก็ยังมีเราเข้าไปอีกจนได้มันขนาดนี้อ่ะ เพราะการยึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราเนี่ยถามว่าไอ้ความยึดถือทั้งมวลเหล่านี้มาจากอะไรต้นกําเนิดของความยึดถือทั้งมวลมาจากเวทนาเวทนาเนี่ยอารมณ์แต่ละอารมณ์ท่านเช็คเลยว่าอารมณ์เนี่ยเป็นวัตถุแห่งเวทนาเท่าไหร่ท่านมองออกเลยเวทนาตัวนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากภาษะแล้วภาษะมีกี่ประเภทในทุกขนทุกแห่งแล้วไม่ใช่วิเคราะห์คนเดียวนะอย่าลืมว่า การวิเคราะห์ตัวนี้คูณสัตว์ในหมื่นจักรวาลทวารหกคูณหมื่นจักรวาลแล้วก็ไล่ไปอีกนามรูปปฏิสนธิวิญญาณสังขารก็เห็นวัตถะที่เป็นไปอย่างตลอดสายเลยยาวเลยนะต้นเหตุก็มีแต่กองทุกที่เป็นไปท่านรู้จักตัวกองทุกพร้อมทั้งต้นเหตุถ้าก็มาคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะชรา ม, มรณะเนี่ยถ้ามันจะไม่มีอะไรต้องไม่มีก่อนก็ต้องไม่มีชาติ แล้วชาบมันจะไม่มีได้ยังไงก็ต้องไม่มีกรรมกรรมเนี่ยจะไม่มีได้ยังไงก็เมื่อไม่มีการยึดถือว่าเราว่าของเราที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานถ้าไม่มีตัณหาอุปาทานเนี่ยต้องไม่มีอะไรต้องไม่มีเวทนาและที่จะไม่ให้มีเวทนาได้ต้องไม่มีผัสสะถ้าจะไม่มีผัสสะได้ต้องไม่มีต้องไม่มีอายตนะถ้าอายตนะจะไม่ม we ีได้เพราะไม่มีนามรูปถ้าไม่มีนามรูปได้เพราะอะไรไม่มีวิญญาณ แต่ส huh, ิ s <S <Monsieur. S 1> <Yes. S 2> ่งเหล่านี้มาจากสังขารมันจะไม่ให้ไม่มีก็ไม่ได้เพราะมาจากสังขารสังขารตัวนั้นสรุปว่าชีวิตที่มันยาวอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอวิชชาไม่รู้อดีตที่ผ่านมาของตัวเองเลยผู้พวกอวิชชาเนี่ยนะไม่เคยทบทวนอดีตเลยไม่พิจารณาอะไรที่จะมีต่อไปในอนาคตอย่างสมมติวิชาวโลกนะเขาจะด่าใครว่าคนโง่คืออะไรคือคนที่ไม่รู้จักทบทวนชีวิตที่ผ่านมา ที่ทำอะไรลงไปก็ไม่รู้จักทบทวนเลยนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าก็ไม่รู้เรียกว่าคนโง่ในโลกนี้ฉันใดอวิชาก็ฉันนั้นคือทบทวนชีวิตในวัฏฏะอันยาวนานก็ไม่ได้ไม่รู้ถึงความเป็นไปในวัฏฏะอันยาวนานเนี่ยที่เรียกว่าอัฏฐานเนี่ยคือยาวนานอย่างนั้นก็ไม่รู้สรุปว่าชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้เหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านี้และไม่คิดด้วยว่าฉันจะต้องปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้คนที่ตังต้งเป้าไว้นะฉันต้องเบื่อหน่ายตาให้ได้ไม่มากนะแม้กระทั่งเราทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมะนี่ของมายังไม่ปักใ จ, จเชื่อเลยว่าเอาจริงสักกี่คนบอกว่าฉันจะต้องเบื่อตาให้ได้จิตวิญญาณนี้มังแล้วนะกาลังตั้งปอปรารถนาอยู่นะ เขาบอกว่าตากับฉันนี่คือศัตรูกันยังไงนะความคิดกับฉันนี่คือศัตรูกันจะต้องปฏิบัติเพื่อเบือหนายและคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้ได้ น, นี่ทวนกระแสเท่าไหร่แล้วนะตอนแรกบอกว่าทวนกระแสตั้งเยอะแล้วนะอันนี้มันทวนกลับกันหมดเลยเราคิดดูนะเห็นเขาแต่งตัวสวยเรามองเป็นหนังกลับหมดตอลักษณะเนี่ยอันนี้แบบหยาบนะยังมีละเอียดตอนนะั้นอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเป็นคนที่คิดทุกเรื่องสารพัดเรื่อง คิดอย่างละเอียดสุขุมอย่างกว้างขวางหาที่สุดท้าประมาณไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายท่านก็เริ่มมาทบทวนเริ่มจับประเด็นที่คิดชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธาคามินีปฏิปทาชรามรณะของสัตว์ในหมื่นจักรวาลชรามรณะสมุทัยคือชาติของสัตว์ในหมื่นจักรวาลถ้าสิ่งเหล่านี้ก็อย่างว่านะพื้นฐานเนี่ยท่านคิดอะไร ถ้าร้อนมีมีอะไรเป็นเครื่องเปรียบเย็น <Yeah. S 1> ถ้ามีมืด อ, อะไรเป็นเครื่องเปรียบสว่างถ้ามีหนาวก็ oh. มีร้อนถ้ามีชรามรณะมันต้องไม่มีสิ่งที่ไม่มีชรามรณะแล้วปฏิบัติยังไงจึงจะดับไอตัวนี้ได้ท่านบอกว่าโพธิปักจจยธรรมนั่นแหละตัวที่จะทําให้ดับได้จริงๆชรามรณะนิโรธคา ม, มินีปฏิปทาคือโพธิปักจยธรรม อย่างที่เรานับถือต้อนพระสีมหาโพคือต้นที่พระองค์ประทับนั่งที่โคนต้นนั้นแล้วเจริญโพที่ปักขียธรรมปฏิบัติในโพที่ปักขียธรรมว่าพยายามชี้ให้ดูนะว่ามาอินเดียเนี่ยต้นโพนี่มีเยอะที่สุดเลยทุกแห่งเนี่ยมีต้นโพทั้งนั้นหลยต้นโพก็คือโพที่ปักขียธรรมใส่เชื่อไว้เลยติดไว้เลยใบโพคือโพที่ปักขียธรรมเห็นใบโพเมื่อไหร่ก็โพที่ปักขียธรรมใส่ตัวเลขไว้สามสิบเจ็ดนะ ชรามรณนิโรธคา ม, มินีปฏิปทานเนี่ยพูดสรุปนียวันนี้เราไหนๆก็เรียนพุทธคุณเนจะพูดแบบกว้างขวางนะใครจเจริญได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพูดเพื่อให้เข้าใจถึงพุทธคุณเป็นหลักสรุปว่ามองเห็นผู้การปรัจโพธิปคียธรรมสามสิบเจ็ดมาเลยไล่เป็นสติปทานสี่ยังไงสัมมาปธานยังไงอิทิบาทอินทรพละโพชงองค์มักแตกเป็นไปได้ยังไงโดยที่ไม่ได้ไปเรื่องอื่นนะมีผู้การเป็นอารมณ์อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นได้ยังไงอันนี้แหละ โอ oh, ลึกซึ้งมากๆเลยนะที่จะเจริญได้อย่างนั้นแล้วก็มาชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธาคามินีปฏิปทาชาติชาติสมุทัยก็รู้อยู่แล้วมาจากภพใช่ไหมถามว่าชาติอันนี้ถ้าจะดับได้จริงๆมันต้องดับได้แล้วปฏิบัติยังไงจึงจะดับอันนั้นแหละเรียกว่าชาตินิโรธาคามินีปฏิปทาท่านก็เจริญภพนิโรธาคาไมนีปฏิปทาแบบฟอร์มมันจะเหมือนกันหมดไง อุปาทานนิโรธคามินีปฏิปทาตัณหานิโรธคามินีปฏิปทาเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาภัษานิโรธคามินีปฏิปทาสลายตนะนิโรธคามินีปฏิปทานามรูปนิโรธคามินีปฏิปทาวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาสังขารนิโรธคามินีปฏิปทาอวิชชานิโรธคามินีปฏิปทา อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาโพธิปัจขยธรรมเนี่ยถามว่าโดยสรุปของโพธิปักขยธรรมนี่คืออะไรทั้งสามสิบเจ็ดเลยนะคือคุณธรรมสิบสี่ตัวสภาวะสิบสี่อย่างมีสติเป็นต้นมีอะไรบ้างหนึ่งสติถ้าไล่กลุ่มอัญญาสมนาเจตสิกก่อนนะสภาจิตตามีไหมที่เป็นโพธิปักเอกคตาใช่ไหมสมาธิต้องบอกว่าเอาตัวสมาธิเนี่ยเอกคตาตัวนั้นเนี่ย อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละไปกินอกะมีอะไรบ้างหนึ่งวิตกวิตกเนี่ยสัมมาสังกปะสัมมาสังกปะนี่ยเจริญตัวนี้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติฉันทาวิริยะเนี่ยก็เจริญวิริยะเจริญปีติเจริญฉันทา ในปกิณกะคือวิตกวิริยะปีติฉันทะเนี่ยเจริญคุณธรรมตัวนี้อาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอันนี้ละไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นกุศลอันนี้รู้ไว้ในฐานที่เข้าใจกันว่าต้องเป็นกุศลอย่างเดียวโสภณะสาธารณะละศรัทธาสติปัญญาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละและก็วีรติ ตัตระมัชตาตาด้วยนะที่เป็นอุเบขาสัมโพชงวีรติเจริญคุณธรรมทั้งส7มสิบเจ็ดสรุปว่าโดยพิสดารคือสามสิบเจ็ดโดยย่อคือสิบสี่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการบริจาคคายอย่างเดียวเจริญเพื่อคายอ่ะสาหามาแล้วต้องมาคายเหรอเนี่ยมันก็น่าคิดนะจะไปเที่ยวจ่ายตลาดมา กว่าจะหาของมาได้เท่านี้ขนมาเต็มรถเอามาทําอะไรบอกเอามาแจกไปเอามาขายเลยนะไอตอนหาเนี่ยอันนี้เอาอันนั้นเอาแล้วก็วิ่งหาเอามาทําอะไรบอกเอามาแจก <c oughs> นี่ก็เหมือนกัน <c oughs> เที่ยวหากูสุลธรรมเพื่อจะได้ขายวัตตะสักทีหนึ่งสรุปว่าขายตัวทุกขต้องการจะดับทุกขโดยประการตั้งปวงจึงเที่ยวเจริญคุณธรรมที่พระองค์บอกว่าโพธิญานที่พระองค์หาได้มาที่บรรลุเนี่ยได้มาโดยยาก กว่าจะได้คุณธรรมคือกุศลทั้งหลายที่เป็นเครื่องออกจากวัตตนนี้ไม่ใช่ง่ายเลยของเราแค่เที่ยวตามกราบผู้ที่ปฏิบัติเพื่อออกจากวัตตะเราจะรู้สึกว่าโอ้ไม่ง่ายเหมือนกันนะของมาถ้าเป็นคุณลานนี่ไม่รู้กินลูกท้อไปแล้วมัง้งตอนนี้แต่ว่าก็ได้ดีนะว่ามีผู้ที่เขามีคันติบารมีช่วยเอาไว้ก็เลยเจริญกุศลได้ทั้งหลายๆลายอย่างด้วยกันเพราะว่ากุศลแต่ละอย่างเนี่ยอย่างผู้การว่าไม่มีง่ายสักชิ้นเลยนะ ผู้การเล่าว่าอยากจะไปปูพรมที่ภูเขาทองขึ้นลงภูเขาทองจนเมื่อยน่องหมดไม่ได้กล่าวถึงเรื่องติดต่อเรื่องอืน่นนึงนะว่าขึ้นลงจนเมื่อยน่องอีกหมดที่จะได้กุศลดังที่ตัวเองจะเจริญอยู่เนี่แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะมีง่ายอยู่ข้อเดียวคือมักง่ายอ่ะมีเรื่องเดียวนะที่เหลือยากหมดเลยแม้แต่วัดตานี่อยู่ยากใครๆบอกว่าฉันไม่ทําอะไรบอกฉันจะขอเฝ้าวัดตานี่แหละอย่าคิดว่าคุณจะอยู่ง่ายนะ ถมาเป็นคนแขกมามาเกิดแขกไม่จะกินอะไรออกมองมีแต่ท้องทุ่งเลยนะไม่มีสวนลำไ ย, ยสวนเงาะสวนทุเรียนสวนลิ้นจี่ยอดผักยอดไม้ใบญ่ามไม่ค่อยมีอะไรเลยอแล้วถามว่าจะอยู่กินอะไรกันสวนผักอยู่ตรงไหนเนี่ยเรานั่งรถผ่านมานั่งหลายวันเห็นสวนผักบ้างไหมไม่ค่อยเห็นใช่ไหมไม่มากนักอะนะคนมันมากเท่านี้นะมันจะกินอยู่ยังไงอแล้วคนมันกินแต่กระลำอยู่ได้หรอือ สารอาหารอย่างอื่นนี่เข้ามาตั้งเยอะแยะไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยไม่ต้องการเจริญอะไรมากฉันจะขอเฝ้าวัตะนี่แหละไม่ใช่ง่ายเลยสมมติว่าเนี่ยฉันจะขออยู่แถวนี่แหละถนนแบบนี้แหะถามว่าจะไปไหนมาไหนง่ายไหมไม่ง่ายเลยนะคะหาที่ปสัสาวะยังยากเลยขนาดเอาทิ้งนะี่ยไม่ต้องเอาเข้าเนะี่ยเอาทิ้งยังยากเลยจะกล่าวไปยายถึงเอาเข้ามันชีวิตของผู้ที่เฝ้าวัตะนี่บอกตรงๆว่าเป็นเรื่องยากมากๆ การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกขนั้นจึงไม่มีง่ายการเจริญกุศลธรรมจริงๆไม่มีง่ายหลังจากที่พอองค์ตรัสรู้พอองศ์ยังอุทานมาเลยใช่ไหมว่าโพธิญาณที่เราได้มานี่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากโดยความลําบากจริงอยู่นะที่ง่ายมีอยู่ตอนเดียวคือตอนบรรลุแต่ก่อนหน้านั้นยากหมดเลยเลือดตากระเด็นหลังนั้นเถอะไม่ใช่แทบกระเด็นนะเพราะตอนบริจาคตาละ่ะ ตาก็กระเด็นจริงๆเลือดนี้กระเด็นหัวใจก็กระดอนเหมือนั้นหัวก็ขาดลูกเมียก็จากหมดพระพราคหมดลําบากจริงๆเลยนะกว่าท่านจะได้อย่างนั้นพระองค์เนี่ยกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากถ้าหากว่าเรารู้ทราบซึ้งในคุณดังที่เคยกล่าวบ่อยๆว่าถ้าใครรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง รู้เข้าใจดีและถูกต้อง้วยนะที่ไม่นับถือพระองค์ไม่มีอย่างคนที่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าปฏิเสธแนวทางที่พระองค์สอนเอาไว้คือเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จักอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าว่าอัธยาศัยทั้งหมดที่บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้เนี่ยถ้าท่านไม่ปรารถนาจะช่วยสัตว์อื่นท่านจะข้ามได้แล้วโดยลาพังเมื่อเสียสงไขยแสนกลับที่แล้ว แล้วถามว่าท่านรู้ไหมว่าท่านจะต้องมาเจออุปสรรคอย่างนี้ที่จะช่วยมูสัตว์ท่านรู้ท่านรู้ตอนที่เป็นสุมเม็ดดาวบทท่านรู้เลยว่าท่านจะต้องลุยขวากน้ําในวัตฏะเนี่ยเสียสงไข่แสนกับลุยขวากน้ําคืออะไรมิจฉาทิฐิทิฏฐิทั้งหลายมันเหมือนเสี้ย น, น้ําในสังสารวัฏมูสัตว์ที่เป็นสัมมาทิฐิจริงๆเนี่ไม่มากน้อยมากมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเหมือนขวากน้ํา เดินไปตรงไหนก็โดนเกี่ยวกลับมาทั้งนั้นเลยเพราะมิจฉาทิฏฐิมันระบาดมากขนาดนั้นท่านรู้เลยว่าท่านจะต้องลุยดงมิจฉาทิฏฐิสี่อสงไขยแสนกลับที้ท่านลุยไปอย่างนั้นจะไม่เปื้อนเป็นไปได้ไหมได้มันก็ต้องน้ําเกี่ยวเนี่ยนะบางทีเกี่ยวตัวบ้างถ้าเป็นแบบตานี่คงไม่รู้กี่ริ้วแล้วถูกเกี่ยวออกมาเนี่ยถ้าเป็นคนอีสานหรือคนภาคเนี้ยเขาจะเอาหน่อไม้เนี่ยแล้วเอาน้าไผ่เนี่ยมาทําให้มันเป็นริ้วนะที่ราซุปหน่อไม้เขาใช้น้ำไผ่นะมาเกี่ยวเอา แล้วก็มัดดึงดึงให้มันเป็นริ้วแบบนั้นนี่สารพัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายร่างกายของเราไม่รู้ขาดกระรุ่งกระริ่งมายังไงบ้างไม่รู้ไปเกาะเกี่ยวมากี่ลั ท, ลทธิมาแล้วกี่ทิฏฐิมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายังอยู่ในโลกของอุปาทานขันห้าก็ยังเกาะเกี่ยวกับทิฏฐิอีกสารพัดในที่สุดก็ไปเป็นปลาให้ก็ขูดเป็นริ้วจริงๆเลยนะมเพราะว่าทิฏฐิทั้งหลายก็เป็นปัจจัยให้เกิดอะไรในที่ไหนก็เดรฉาเป็นต้น ถ้าไปเกิดเป็นเนรัจฉานก็หลายริ้วจริงๆเลยเนี่ยแล้วถูกเขาค่อยๆทอนค่อยๆทอนใช่ไหมท่านจะต้องว่ายน้ําข้ามอะไรอีกคนที่ปรารถนาเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่จะบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องว่ายน้ําข้ามจักรวาลที่เต็มไปด้วยน้ําถ้ามองความเป็นจริงก็ใช่เพราะต้องว่ายข้ามตันหาอยู่สี่อาสงขยัยอยู่ในโลกของหมู่ชนผู้มีตันหาโดยที่ตัวเองต้องทวนตันหาตลอดถามว่ามันเป็นยังไง คือคนอื่นเขาไปตามกระแสน้ําใช่ไหยตัวเองก็ต้องทวนน้ําตลอดสี่อสศงขยเดือดร้อนไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเพราะวัตถุทั้งหลายอุตสาห์แสวงหามาหามาบริจาคหามาทําบุญอย่างที่เรียกว่าชาติที่เป็นมหาชนกท่านว่ายน้ําไปไหนไปเอาสมบัติบอกเอามาทําอะไรจะให้ทานแล้วว่ายน้ํากว่าจะได้สมบัติมาเพื่อจะให้ทานนี่มันง่ายไหมเรามีสมบัติแล้วก็มันจ ะ, จะง่ายนะ อย่างผู้การพูดนะก็บอกไม่ใช่มีเงินแล้วจะทําอะไรได้ทุกเรื่องที่ไหนใช่ไหมมันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาช่วยอีกตั้งมากมายแล้วชีวิตที่ทวนกระแสตันหามากขนาดนี้เขมาก็อย่างที่เคยชมญาติโยมที่ฟังธรรมเนี่ยนะว่าผ่านร้านอาหารมาไม่รู้กี่ร้านนะไม่แวะมาฟังธรรมนะเลยมาถึงที่ฟังธรรมได้นะไม่ง่ายนะผ่านห้างสปปรรพสินค้ามากี่ห้างผ่านสวนสนุกมากี่งานแล้วนะ กว่าจะขับรถมาถึงที่ฟังธรรมได้เนี่ยก็ชมอ่ะนะว่าหลุดมาจากที่เหล่านั้นมาได้ยังไงจนมาถึงที่ฟังธรรมเพื่อจะคลายออกไปมาชว่วยจริ ง, รงๆว่าเออก็แปงว่ามีบุญเก่าไม่ใช่ธรรมดาเลยผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยเป็นสมบัติของผู้มีบุญเก่าเพราะเป็นชีวิตทวนกระแสก็คิดดูนะของเราเนี่ยมีใครจะมาเอามหาภูตรูปมีบ้างไหมมีความตั้งใจนะพวกจะมาเอามหาภูตรูปคือพวกตั้งใจจะมาชอปปิง้ง ของคณะเรานี่ไม่มีช้อปปิ้งก็ถือว่าเป็นกลุ่มมาคายมหาพูดไม่ต้องการมหาพูดเมื่อไม่ต้องการมหาพูดแต่ถามว่าหมูสัตว์เขาหาอะไรกันอยู่รู้ไหมหามหาพูดเที่ยวหามหาพูดเสาะหามหาพูดแสวงหามหาพูดตอนที่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะไม่มีมหาพูดมานะเขาสบายมากเขาไม่ทะเลาะกันพอโยนขนมไปชิ้นหนึ่งเนี่ยทะเลาะกันแล้วไปแย่งเข้ามาได้เยอะเลยนะแล้วก็โยนมาอีก ยังไปจับอันนั้นอันนี้ถูกแย่งไปหมดแล้วสอหามหาพูดสแสวงหามหาพูดเดือดร้อนเพรามหาพูดร้องให้เพรามหาพูดของมานี่ไปเหลือบดูเด็กคนหนึ่งบอกเฮ้ยมันผิวดําหรือว่ามันถาถานมาวะนี่เขาบอกว่ามันผิวมเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะไปเราเคยทําเหตุแบบนั้นมามั่งจนพระบางรูปบอกว่า oh, นี่นึกว่าคนอินเดียนะ ว, ดว่างันนะแสดงว่ามีเขาโค้งมาก มาถึงมีด่ดันชอบไปฉาบจับปฏีอีกอันนี้ไม่ได้พูดเรียบเคียงให้หามาให้นะแต่เล่าว่านี่แสดงว่าสายเคยเป็นแขกมาั่งนะคุยไปคุยมานะก็มีโยมบางคนก็เล่าว่าพวกขเขมรเนี่ยก็บอกว่าสายพันธุ์เดียวกับพวกแขกของมาก็แสดงว่าถ้าดีเอ็นเอระดับย่อยๆมังสายมีสายพันธุ์อยู่บ้างนั่นกันโยมพ่อนะถ้าไม่แต่งตัวมากับกลุ่มเราเนี่ยนะไม่รู้นะว่าใครกันใครเนี่ย ยอมสุจินกับคุณจรัลพันธเนี่ยบอกไปเห็นแขกอินเดียก็นึกว่ายมพ่อเนี่ยนะเรียกใหญ่เลยนะมันปนกันไปหมดเลยนะไม่รู้ใครเป็นใคร